กันที่หนึ่งอุปสัมปทาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาจนบัดนี้มีคนจำนวนหนึ่งพอใจจะชักจูงคนให้ประพฤติ ธ, ธรรมโดยเข้าใจว่าได้ยังประโยชน์ใหญ่ให้สำเร็จแก่มหาชนทำความเกิดของตนไม่ให้ไร้ผลเปล่าคนจำวนวนนี้ที่อุกฤษได้ยอมสละโภโกสมบัติยศศักดิ์และความสุขส่วนตัวเสีย พระพุทธเป็นนักบวชเที่ยวสั่งสอนมหาชนชักจูงให้ประพุทธทำที่ตนนับถือว่าเป็นดีมีคนนับถือมากได้รับความยกย่องเป็นศาสดาคำสอนที่พวกคนเป็นอันมากนิยมนับถือสืบมาจัดว่าเป็นลัทธิหรือศาสนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งพระศาสดาของพวกเราก็เป็นพระองค์หนึ่งแห่งคนจำพวกนั้น พระองค์มีพระกรุณาใหญ่ในหมู่ชนฝังอยู่ในพระสันดานแม้พระองค์ประสูติในสกุลกษัตริย์และเป็นราชทายาทผู้จะได้รับราชสมบัติสืบพระวง์มีทางที่จะได้ทรงทําประโยชน์ให้แก่มหาชนผู้อยู่ใต้ปกครองถึงอย่างนั้นก็ยังพอพระหฤทัยในทางเป็นผู้สั่งสอนมหาชนมากกว่าครองแผ่นดินข้อนี้เป็นเหตุให้พระองค์ทรงผนวด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 จึงเทศนาสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นต่อไปในชั้นต้นทรงแสดงแก่พวกนักบวช ด, ด้วยกันก่อนเมื่อมีผู้เชื่อถือและทูลขอเข้าพวกด้วยก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุเหมือนกันด้วยพระวาจาว่าเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ก็เป็นอันทรงรับเข้าหมู่การบวชอย่างนี้เรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทา แล้วว่าอุปสมบทด้วยทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุมาเมื่อมีสาวกหลายรูปพระองค์ทรงส่งให้แยกกันไปประกาศพระศาสนาในถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นๆครั้งมีผู้เลื่อมใสสมัครจะบวชสาวกเหล่านั้นก็พาคนเหล่านั้นมาเฝ้าพระศาสดาเพื่อได้รับพระอนุญาตเป็นภิกษุตามธรรมเนียมที่เคยทรงมาพระศาสดาทรงพระดาริ เห็นความลำบากของท่านผู้พาและคนผู้ตามมานั้นเพราะทางกันดานไปมาไม่สะดวกจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้สาวกรับเข้าหมู่ได้เองแต่เปลี่ยนวิธีรับเป็นอย่างอื่นให้ผู้จะบวชเข้าหมู่นั้นปลงผมและหนวดนุงหมผ้ากาสายะถือเพศก่อนแล้วเปล่งวาจาแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด้วยอาการเคารพจริงๆเพียงเท่านี้ชื่อว่า เป็นอันรับเข้ามูหรือบวชเป็นภิกษุได้เหมือนกันการบวชอย่างนี้เรียกว่าติสรณะคัมมนุปสัมปทาแปลว่าอุปสมบทด้วยถึงสามสารณะในยุคต้นแห่งตรัสรู้การรับเข้ามูหรือรับบวชให้ภิกษุสำเร็จด้วยอำนาจบุคคลคือพระศาสดาทรงเองบ้าง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 ย่อมมีองค์เป็นกำหนดสำหรับกิจนั้ น, น, นกิจโดยมากต้องการทรงมีภิกษุสี่รูปทรงผู้ทมกิจเช่นนี้เรียกว่าจตุวักแปลว่ามีพวกสี่แต่กิจบางอย่างต้องการทรงมีภิกษุห้ารูปบ้างสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้า ง, งทรงผู้ทมกิจเหล่านั้นเรียกว่าปัญจวักมีพวกห้า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 ทรงอนุ ญ, ญาตให้ทรงทำด้วยวิธีซึ่งเรียกว่าญติจตุตถักกรรมมะอุปสัมปทาคือภิกษุประชุมครบองค์กำหนดในเขตแห่งชุมนุมซึ่งเรียกว่าสีมากล่าววาจาประกาศเรื่องความที่จะรับคนนั้นๆเข้าหมู่และได้ความยินยอมของภิกษุทั้งปวงผู้เข้าประชุมเป็นสงนั้นองค์กำหนดของสงผู้ให้อุปสมบทได้นั้น ในประเทศที่มีพระดื่นซึ่งในครั้งนั้นชี้เอามัธยมประเทศสิบรูปในประเทศที่หาพระยากซึ่งชี้เอาปัจจันตะชนบทเพียงห้ารูปก็ได้อุปสมบทสำเร็จด้วยอำนาจส่งอย่างนี้เป็นมาจนถึงการทุกวันนี้ภิกษุผู้ได้อุปสมบทด้วยวิธีซึ่งส่งเองที่เรียกว่า เอิพิขุปปสัมปทาก็ดีโดยวิธีซึ่งสาวกธรรมที่เรียกว่าติสารณคมนุูปปสัมปทาก็ดีโดยวิธีซึ่งสงธรรมที่เรียกว่ายาติจตุตถกรร ม, มะอุปสัมปทาก็ดีทั้งสามเหล่านี้มีสังวาดคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเป็นอันเดียวกันเข้าเป็นพวกเดียวกันได้ ครั้นท่งเลิกติสรณ ะ, ะคมนุปสัมปทาเสิแล้วได้ทรงพระอนุญาตให้เอาวิธีนั้นมาใช้บวชกุลบุตรผู้มีอายุยังหย่อนไม่ครบกำหนดเป็นภิกษุให้เป็นสามเณรอย่างเสร็จด้วยอำนาจบุคคลคือสาวกหรือภิกษุผู้เทระนั่นเองเมื่อเกิดมีสามเณรขึ้นการบวชจึงเป็นสองคือบวชเป็นภิกษุเรียกว่า อุปสัมปทาหรืออุปสมบทบวชเป็นสามเณรเรียกว่าบรรพชาและ ว, วิธีที่สง์จะให้อุปสมบทก็ให้แก่ผู้ได้รับบรรพชาเป็นสามเณรมาแล้วนี้ใช้เป็นธรรมเนียมมาจนบัดนี้